ให้ชีวิตช้างเมื่อเร็วๆนี้นมีผู้ใจบุญนำช้างมาถวายหลวงตาด้วยความสงสารที่เจ้าของจะขายช้างไปทางใต้เอาไปทำงานช้างเชือกเนี้ยอายุ4ี่ปีเป็นช้างพลายหรือช้างตัวผู้ปลายงานและขนหางถูกตัดขนหางก็ถูกถอนออกจนหมดดูละเหมือนหางหมูก็เป็นหน้าที่ของพระอีกเช่นเคย ที่ต้องทำโรงช้างให้เป็นพิเศษเลี้ยงดูอย่างดีด้วยอ้อยและสับปะรดช้างมีอาหารป้อนถึงปากเรียกง่ายๆว่าอยู่ดีกินดีตามประสาวัดป่าบ้านตาดช้างถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ขาบวมเล็กน้อยทราบมาว่าถูกรถชนมีก้อนเนื้อปูดเท่าลูกมะพร้าวที่ไหลซ้ายมันเอาหัวยันเสารโรงช้างคงจะเจ็บปวดหลวงตาท่านเมตตารับไว้แล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันไปตามมีตามเกิด ท่านตำหนิเบาๆในเช้าวันหนึ่งว่าเอามาเป็นภาระกับเราทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากับเราเราเป็นสมภาร น, นะแต่ด้วยความเมตตาท่านรับไว้ดูแลอยู่หลังวัดจนถึง บ, บัดนี้คือตุลาคม2551ผมได้แต่รำพึงในใจว่าวัวก็มีแล้วควายก็มีแล้วช้างก็มาแล้วต่อไปคงจะเป็นมา้า ผมยังเคยคิดเล่นๆว่าน่าจะไปหาม้าแคร์เอามาถวายท่านบ้างคิดอยู่ไม่เกินสัปดาห์ม้าตัวสูงใหญ่ประเภทม้าแข่งสองตัวก็เดินทางมาถึงวัดสมดังที่ผมคิดครบสูตรละทีเนี้ยช้างมา้าวัวควายสุนัขไก่แถมในวัดเองก็มีตะกรวดอยู่มาก่อนแล้วจานวนมากมีอาจารย์ท่านหนึ่งจับออกไปปล่อยตามวัดต่างๆ 40- ถึงหตัวละแต่ขณะเนี้ยในวัดก็ยังมีอยู่มาก จับออกไม่ไหวจึงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเมื่ออาหารการกินสมบูรณ์และออกไข่กันจนเต็มวัดส่วนงูก็ถูกจับออกไปปล่อยเพราะเป็นสัตว์อันตรายขณะนี้วัดกําลังจะกลายเป็นสวนสัตว์เปิดมีสารพัดสัตว์แม้กระทั่งเจ้ากระจงตัวน้อยๆที่เดิอนอยู่ตามกุติต่างๆรอบวัดก็ดูน่ารักดีเมื่อไม่มีใครทําอันตรายจึงเป็นกระจงเชื่องเห็นคนก็ไม่กลัว เดินผ่านหน้าไปอย่างองอาจ